بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ول و ب ลอัลลอฮฺร حول و أ ل ا ق و ت ي ل ا بالله ا ل ع ل ي ل ع ظ ي م سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم رب الشرح لي صدري ويستري أمري وحل العقدة من لساني ي ف ق ه ق و ل ي أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته hamdulillah ซุนนะ hamdulillah นะครับมวลการเสรอเสิญเป็นสิทธิแด่อง Allah ุ u b h a n a h u Wa Taala ขอบคุณ a l l ุบ Subhanahu Taala ที่พระองค์ให้เราได้มีชีวิตนะครับในอีกเช้าวันหนึ่ง ให้เราได้เป็นเบวของอัลลอฮุ س ละให้เราได้ตื่นขึ้นมาจากความตายเล็กนะครับอัลฮัมด ill ุลิลลาฮิลลาดีอัฮยานาบะดามะอามะตนาวาอิไลฮินูชูรขอบคุณอัลลอฮุ س ب ح ا ะที่พระองค์อัลลอฮฺตะให้เราได้ฟื้นขึ้นมานะครับอีกครั้งหนึ่งจากความตาย บรรดานักวิชาการเรียกการนอนหลับไปนะครับเรียกว่าอันโนมอะคุลมาตความการนอนหลับนั้นเป็นพี่น้องกับความตายนะครับเรียกว่าความตายเล็กที่อัลลอฮฺทรงตรลาให้เราได้ฟื้นขึ้นมาถือว่าเป็นนื้มัดอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺทรงตรลาให้เราได้สแสดงถึงบทบาท ของความเป็นบ่าวในอีกวันหนึ่งนะครับฮามดิลลาห์วันนี้เราก็มาเรียนกันต่อนะครับในสเรอะตักวิร์ซึ่งเมื่อวานนะครับก็ได้ทําการไลฟ์สดแต่ว่ามันมีปัญหาในการอัปโหลดข้อมูลลงไปนะครับถูกบล็อกสิทนะครับวันนี้ก็ขอมาทําการเรียนรู้ในสุราะนี้นะครับเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะได้รับประโยชน์นะครับผมตัวผมเองแล้วก็พี่น้องผู้ร่วมรับฟังผู้เรียนรู้นะครับไม่ให้พลาดในเรื่องราวของตับซิดนะครับทำดีล้ววันนี้เราก็มาเริ่มต้นสุรอั ต, ตักวีรนะครับเป็นสุรที่อยู่ในจุสอัลมาเป็นสุรที่ไม่ยาวมากนะครับหลายๆคนท่องจําได้แล้วก็ นะครับตอนนี้ภาพเสียงเป็นอย่างไรนะครับกลัวว่าจะมีปัญหาอีกนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับเอ่อนะครับซูระนี้นะเป็นซเระมะอกียซึ่งคำว่า สุรอมกิยา <ITA> เนี่ยก็คือสุราะที่ถูกประทานลงมาก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัด <aimed> สุลต้องอลลมจะทำการอพยพไปเมืองมาดีน่นะครับถ้าหากว่าถูกประทานลงมาหลังจากที่อพยพไปเมืองมาดีน่าแล้วจะเรียกว่าอันมาเดนียะซึ่งความหมายของสุราะนี้นะครับมันจะ ครอบคุมเกี่ยวกับเรื่องของอักีดาหลักความเชื่อการฟื้นคืนชีพส่วนมาดานินมาดานิยะเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลัก Sharia บทบัญญัติการวางบทบัญญัติการละหมาดการถือสินอดการใจสากาัดนะครับการตัดสินบทลงโทษอะไรทั้งหลายที่เกี่ยวกับเรื่องของ Sharia อิสลามเนี่ย จะถูกประทานลงมานะครับหลังจากที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลต่านได้ทําการอพยพส่วนสุราที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็เป็นสุราอันมักเกียสุราที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเกี่ยวข้องกับอักีดะความเชื่อความศรัทธาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการฟื้นคืนชีพในวันเกียมะเพราะว่าท่านอบีมุฮัมมัดสุลตลานเนี่ยนะครับได้ทําการเรียกร้องเชิญชวน บรรดากุฟานมูชริกีนให้มาเคารพพระดีต่อรสสุหานุตาลาแต่เพียงผู้เดียวและได้ต่อสู้กับพวกคนเหล่านี้นะครับอันเนื่องมาจากว่าคนเหล่านี้เนะี่ยพวกเขานั้นปฏิเสธการฟื้นคืนชีพท่านบีมมห์ ม, มสุลลัลสลามจึงต้องมาเรียกร้องนะครับด้วยกับหลักฐานนั้นชัดแจ้งจากรสสุหานุตอาลาถึงการฝื้นคืนชีพอันยิ่งใหญ่ในวันเกียร์มาว่าเป็นเรื่องจริงสุรืนี้นะครับ ท่านเชคุสัยมีน้อยหมของเราตาอาลานะครับท่านก็ได้ทำการอธิบายเอาไว้นะครับเริ่มต้นด้วยกับคาว่าอันบัสมัละนะครับก็คือบิสมิลละเนี่ยท่านเชคบอกว่าตะกัดดมักลมาลามอาไลฮาซึ่งได้พูดไปแล้วนะครับได้อธิบายไปแล้วท่านก็ไม่ขอย้อนกลับมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบิสมิลละอีกเพราะว่าถูกอธิบายในต้นสุร อันนาเบก็คืออัลบาอัลมายะตาซาอัลูนนะครับเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือสุรอ้อนนาเบตั้งแต่สุร์อัลมายะตาซาอัลูนลงมาจนถึงกุนเอาซูรับบินนัสนะครับท่านได้ทําการอธิบายไปแล้วแล้วก็ผมได้ทําการถ่ายทอดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาของบิสมิลลาซึ่งคําว่าบิสมิลลาซึ่งมีความสําคัญกับชีวิตของมุสลิมมากนะครับ มุสลิมจะทําอะไรก็ตามแต่เขาจะต้องกล่าวบิสมิลลาห์ซึ่งจะทําให้อาการงานของเขานั้นมีบาริกะนะครับมีบาริกะมีความจําเริญไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มการเดินการเขียนการกระทําทุกอย่างถ้าเขาเริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาห์นั้นจะทําให้การงานเขานั้นมีความจําเริญมีบาริกะได้รับความจําเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และมันจะตีกรอบนะครับพฤติกรรมของเขาได้ เป็นอย่างดีว่าการที่เขาได้กล่าวบิสมิลลาห์นั้นเขากำลังจะเริ่มต้นการงานด้วยกับพระนามของผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างผู้ทรงถูกกราบไหว้แต่เพียงผู้เดียวนั่นก็คืออัลลอสุบฮานตะลาดังนั้นการงานที่จะเริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาห์จะต้องเป็นการงานที่ฮาลาลเป็นการงานที่ถูกต้องเป็นการงานที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตะลานะครับบิสมิลลาห์จึงเป็น ถ้อยคําที่จะมาตีกรอบพฤติกรรมของเราให้อยู่ในความดีงามนะครับอยู่ในการคอรบพักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานาห์ตาลาอย่างเนืองนิดเริ่มต้นสเร้อนี้นะครับอัลลอฮฺสุบฮานาห์ตาลาได้ทรงตรัสว่าอิดะชัมสุกูวิรตนะครับเมื่อดวงอาทิตย์มันถูกมว้วนนะครับให้ดับแสงลง แน่นอนครับว่าสุรนี้เนี่ยเป็นสุรที่พูดถึงสภาพอันน่าสะพึงกลัว น, นะครับอันน่าสะพึงกลัวในวันเกียรมะท่านอาบีมุฮัมมัดสุลลัลเสลมได้ทรงพูดเอาไว้ว่าใครก็ตามที่รักที่อยากจะเรียนรู้อยากจะรู้ถึงสภาพในวันกียรมะเนี่ยให้เขานั้นไปอ่านสามสุร ซึ่งจะเป็น3มสุระที่พูดถึงคุณลักษณะนะครับสภาพการที่จะเกิดขึ้นสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันเกียาารติได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือสูรเราอ่าัว้วกสุรบที่เราอ่านกันนี้แล้วสรบเราอนันกที่เราอ่านกันนี้แล้วก็สูรเราอ่าน r ันอกอกนี้แล้กสุรออราอนกนี้็รนัแลสุรที่เราอ่าันสรเรานกี้็เราีสราา ในวันกี่ยม่กว่าจะเกิดความโกลาหลจะเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายจะเกิดความน่าสะเพงกลัวอะไรเกิดขึ้นนะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์ไว้ในสามสุรนี้อิทธิชัมสุกุวิรสนะครับเมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนดับแสงลงเชคุสัยมินบอกว่าคำว่าเตควิรนนะครับมาจากคำว่ากาวรา อ, อยาวิรเตควิร ที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาไดทรงตรัสว่ากูวีร์ตนะครับเป็นเป็นรากศัพท์ของคําว่าเกาวาระหรือกนะูวีร์ตนีกูวีร์ตเป็นเฟีมาดีลินมาจฮูนนะครับแปลว่าถูกกระทํานั่นหมายถึงดวงอาทิตย์ในวันกียรมิมันจะถูกม้วนให้ดับแสงและผู้ที่ม้วนมันผู้ที่ทําให้มันดับแสงผู้ทําลายมันก็คืออัลลอฮ์สุบฮานุอุตะอัลา ผู้ทงสร้างมันดวงอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับดวงอาทิตย์ที่อยู่ห่างไกลจากโลกใบนี้มากมายนะครับดวงอาทิตย์ที่อยู่ห่างไกลจากโลกใบนี้ถึงห้าสิเอ่อหนึ่ง้ยห้าสิบล้านกิโลเมตรถึงหรือเกบสามล้านไมล์เนี่ยนะครับมันยังสร้างความร้อนให้กับโลกใบนี้อย่างรุนแรงถ้าหากว่าวันเกียรมัตมันได้เคลื่อนลงมา นะครับอยู่เพียงแค่ศีรษะอยู่เพียงแค่ใกล้พวกเรานะครับและเราจะอยู่กันอย่างไรมันยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่ามันอยู่ไกลขนาดนี้แล้วมันยังสามารถที่จะส่งแสงลงมาอย่างโลกใบนี้ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเดชานุภาพของผู้สร้างได้เป็นอย่างดีแต่ในวันเกียรมะผู้ที่สร้างมันเท่านั้นนะครับที่จะทำลายและม้วนให้มันดับแสงลงได้คาว่าตักวีรเนี่ยเชโอซมีนบอกว่า จำเอาชัยบางที إلى بعض ولفه كما ت ك و ي ล عمامة على الرأس ที่อัลลอฮฺสุฮาตฺมามตล า, า, า, ตาได้ม้วนมันได้รวมมันนะครับเหมือนกับผ้าโพกศีรษะที่เราเอามาพันศีรษะของเรานะครับอัลลอฮฺสุฮตฺลาะจะม้วนมันนะครับและทําลายมันในลักษณะของตะควีรก็คือม้วนนะครับรรา อ, าอัลลอฮฺต้าอัลลอฮฺจะม้วนอย่างไร นะครับและที่แน่แนมันจะดับแสงมันจะถูกทําลายลงไปในวันเกียร์มะในวันที่อัลลอฮ์สุลตาราต้องการที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับมันหมดวาระของมันมันสิ้นสุดวาระของมันอัลลอฮ์สุตลตาราต้องการที่จะทําลายมันอัลลอฮ์สุลตาราจะม้วนมันจนกระทั่งว่าแสงของมันนั้นถูกดับลงไวยุลกีฮาอัลจาวะจันฟินนารและอัลลอฮ์สุฮาห์โนตาลาก็จะโยนมันลงไปในไฟนรก พออัลลอฮสุตลตานั้นอีกอัอสตันลินละจีนายะมูดูนะมินดูนินละอัลลอฮสุตลตาร์โกรธกิ้วเหลือเกินกับบุคคลที่เขานั้นอิบะาดาเขารบพักดีอื่นจากอัลลอุบหา ح ا ن ه แวะ تعالى อัลลอฮสุตลตารได้ส่งตัดเอาไว้ในอันลกุรอานนะครับว่าในสุร์นะครับอันอัมบียะอัลลอฮสุตลสตารสงตัดว่าอินนะกุมวะมาตบูดูนะมินดูนินลฮัฮัสบุจหันนัมแท้จริง พวกเจ้าทั้งหลายพวกเจ้าในที่นี้หมายถึงบรรดากุฟาร์บรรดามุชริกีนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานางูตะอาลานะครับพวกเขานั้นจะถูกโยนลงไปนไฟนรกและกับสิ่งที่พวกเขานํามากราบไหว้ทั้งหลายนั่นก็คือเจวตทั้งหลายจะกลายเป็นฮัสบ uh ูจาฮันนำนะครับจะกลายเป็นเชื้อเพลิงแห่งไฟนรกทั้งหมดเลย น, นี่คือเชื้อเพลิงของไฟนรกที่ร้อนแรงเหลือเกินร้อนแรงกว่าแสงของดวงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาบนโลกใบนี้นะครับร้อนแรงกว่าไฟในโลกดุนยานี้ถึง69เท่ามันเผาผลาญตัวเองถึง 3,000 ปีจนกระทั่งว่ากลายเป็นสีดำมืดนะครับควันของมันก็เป็นสีดำและตัวไฟก็เป็นสีดำเราจะเห็นได้ว่าไฟในโลกดุนยานี้นะครับเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับ มันจะเผาผลาญตัวเองจนกระทั่งว่ากลายเป็นสีนะครับกลายเป็นสีขาวแล้วก็กลายเป็นสีดำนะครับมันจะทำให้ความร้อนร้อนและรุนแรงนั้นมากมายมหาศาลจนกระทั่งว่าเราจินตนาการไม่ได้และบทลงโทษนี้นะครับก็จะเป็นบทลงโทษของผู้ปฏิเสธศรัทธาและเชื้อเพลิงของมันก็คือ เชื้อเพลิงที่มาจากมนุษย์ที่ฝ่าฝืนอัลลอ์สุบฮานุตาลาและก็บันดาจเจว็ดทั้งหลายนะครับก็จะถูกเผาผลาญจนกระทั่งเป็นเชื้อเพลิงและไฟอนันร้อนแรงในขุมนรกของอัลลอ์สุบฮานุตาลาแต่นะครับบุคคลที่อัลลอ์สุบฮานุตาลาจะไม่เอาผิดเขานั่นก็คือคนดีทั้งหลายนะครับเพราะอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาบอกว่าคนที่ทำการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอ์และบันดาสิ่งที่เขา กาบไหว้ทั้งหลายจะถูกนำนะครับไปสู่ไฟนรกนั่นหมายความว่าคนที่ตั้งตัวเป็นต่อรูทนะครับต่อรูดหมายถึงอะไรต่อต่อรูทหมายถึงบุคคลที่หรือว่าสิ่งที่นะครับจะมีสติปัญญาหรือไม่มีสติปัญญาก็ตามแต่ถ้าหากว่าเขาตั้งตัวตั้งตนเป็นสิ่งที่ถูกกาบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์ตั้งตัวเป็นพระเจ้า สิ่งใดก็ตามแต่ที่ถูกกราบไหว้อื่นจากอัลละฮ์เรียกว่าตอูดไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสิ่งใดก็ตามแต่นะครับและถ้าหากว่าเป็นคนเนี่ยหมายความว่าเขาต้องพอใจในสิ่งนั้นด้วยคนที่มีคนมากลับไหว้คนที่มีคนมาหาและมาถามหนึ่งสิ่งลลับนะครับแล้วก็ทำแล้วก็ตอบแล้วก็ตั้งตัวนะครับเชกเช่นเป็นพระผู้เป็นเจ้ารู้สิ่งลึลับต่าง และก็พอใจที่ผู้คนทั้งหลายนะครับมาหาเขาแล้วก็มาถามเขาและก็มาขอความช่วยเหลือจากเขาและเขาก็พอใจในสิ่งนั้นนั่นแหละครับคือคนที่ตั้งตัวเป็นตอวูชอัลลอฮฺซุลมานอุตาลาจะนาคนเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนลงไฟนรกเป็นเชื้อเพลิงแต่คนดีๆทั้งหลายที่เขาไม่ได้สั่งเสียที่เขาไม่ได้พอใจที่เขาไม่ได้สั่งเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเขาตายไปแล้วนะครับให้ เอากูโบสถ์ของเขาเป็นสถานที่กราบไหว้เป็นสถานที่ขอดูอานั่นก็เหมือนหมายถึงบรรดานับีทั้งหลายนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีผู้คนอุปโลกนะครับสร้างมัสยิดครอบกูโบส์ของคนของบรรดาคนดีทั้งหลายคนที่เป็นนบีและก็ไปขอดูอาไปขอความช่วยเหลือ ท, ทั้งทั้งที่นะครับคนดีเหล่านี้เขาไม่เคยสังเสียเขาไม่เคยบอกเลยนะครับว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตให้ทาสถูปให้ทา กูบดของเขาเป็นเจเวิตเป็นต่อวูตเป็นสถานที่กราบไหว้เป็นสถานที่ขอดูอาเป็นสถานที่สูยุดนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นชิริกต่ออัลลอฮฺสุบฮานูตาลาถ้าหากว่าเขาไม่พอใจในสิ่งเหล่านี้นะครับอัลลอฮฺสุบฮานูต阿拉ก็จะไม่เอาผิดพวกเขาแต่ใครก็ตามที่พอใจที่ตั้งตัวเป็นต่อหุตเป็นสิ่งที่ถูกกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเจเวิตหรือว่ามจะจะเป็นสิ่งที่มีสติปัญญาจะเป็นมนุษย์จะเป็น สัตสิ่งของอะไรก็ตามแต่วันเกียรมัดจะถูกโยนลงไฟนรกและก็จะเป็นฮัสบูจะฮันนำจะเป็นเชื้อเพลิงแห่งไฟนรกนะครับอันน่าสะเพงกลัวอัลลอฮสุฮาตลาได้ทรงตรัสว่าวันวันกียมัดเนี่ยอัลลอฮจะม้วนให้ดวงอาทิตย์มันนะครับหมดแสงไปมันดับแสงลงไป และหลังจากที่ดวงอาทิตย์ดับแสงแล้วนะครับอัลลอฮ์ทรงฮาตาลาก็ทรงตัดไว้อีกว่าว่าอ um ีดันูจูมุงกลเดรอตนะครับว่อ um ีดันูจูมุแกลรและในบางอายะห์บอกว่าว่อีดันกวาคิบุงทัศรอตว่าอีดันกวาคิบุงทัรเมื่อดวงดาวทั้งหลายนั้นมันได้ ลนลงกระจัดกระจายนะครับในสุรอ้อนอินฟิโตอัลลอฮตรัสว่าวัยดันคืว่ากี่บุนตะซอร์ตเมื่อดวงดาวมันกระจัดกระจายนะครับมันล่วงหลนมาจากสถานที่ที่มันเคยอยู่นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ถึงความน่าสะพึงกลัวที่อัลลอสุบตาร์ได้ทรงเล่าไว้นะครับในพนาได้พันลณ น, นาเอาไว้ในอันกุรอานดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวเลิกดาวเคราะห์ทั้งหลาย ในวันเกียร์มาในที่ที่มันเคยอยู่นะครับในวงโคจรของมันที่อัลลอฮฺสุลตาราเคยปกปักรักษาให้มาเลย์กามาปกปักรักษาไม่ให้มันล่วงลนลงมากระจัดกระจายให้มันอยู่ในวิถีโคจรของมันแต่ในวันเกียร์มาอัลลอฮฺสุลตาราจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหมดวาระของมันอัลลอฮฺจะทําลายมันจะให้มันนะครับเกิดความโกลาห์นเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายเกิดขึ้น ดวงดาวที่มันเคยอยู่ในวิถีโครจรของมันมันจะล่วงล้นกระจัดกระจายนะครับเรามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้ข้อคิดนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยาแห่งนี้นะครับในสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ล้วนแล้วแต่มีอาจันไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์นะครับที่มีอาจัลไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์ที่จะมีกําหนดวาระแห่งความตายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีกําหนดของมัน จริงๆแล้วนะครับสิ่งของที่เรามีอยู่รอบตัวของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันก็มีอายุการใช้งานของมันนะครับถ้าหากว่าเรามานั่งพินิษพิจารณานะครับผู้ศรัทธาจะต้องพินิษพิจารณาถึงสิ่งถูกสร้างที่อยู่รอบตัวนะครับถ้าหากว่าเราพินิษพินิ์พิจารณาดูแล้วว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่มีอาจันของมันโลกใบนี้ยังมีอาจันนะครับโลกใบนี้ก็มีกําหนดวาระของมันที่จะต้องสูญสลายนะครับพิ่แนขึ้นมาในสักวันหนึ่งนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ข้อคิดว่าถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่มีกําหนดวาระแห่งมันแล้วเนี่ยถ้าหากว่าวันนี้เราตัวเราเองชีวิตของเราเองก็มีกําหนดวาระแล้วถ้าเราไม่เตรียมตัว ในวันที่เราจะต้องกลับไปหาลอสซุมฮานอตาลานะครับเราไม่เตรียมตัวที่จะแสวงหาผ ล, ลบุญอันมากมายที่จะเป็นเสเบียงอันดีเลิศในวันที่เรากลับไปพบกับลอสซุมฮานอตาลาวันนี้แล้วเราจะไปเตรียมวันไหนเพราะกําหนดวาระแห่งความตายของมนุษย์นั้นนะครับมันไม่แน่นอนไม่มีใครที่จะมีชีวิตยืนยาวอยู่นิรันดร์นะครับตลอดการนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มีกําหนดวาระของมัน แม้แต่ดวงดาวแม้แต่ดวงอาทิตย์นะครับแม้แต่โลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่สักวันหนึ่งมันจะต้องพินาศลงนะครับด้วยกับกําหนดของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาและก่อนที่มันจะนะครับหมดวาระของมันเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาก็ได้ทรงให้มีสัญญาณต่างๆนะครับก่อนที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่วาระของมันนั่นะคือ วันกียร์มาจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีสัญญาณต่างๆมากมายนะครับที่ทําให้เรารู้และทําให้เราได้เตรียมตัวอัลลอฮฺสุภาโนตาลาจะให้วันกียามาต์เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะครับหลังจากที่มันมีสัญญาณครบแล้วเนี่ยแต่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอัลลอฮฺสุตาละให้นบีมาบอกว่ามันจะมีทั้งสัญญาณเล็กนะครับมันจะมีทั้งสัญญาณใหญ่เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วนะครับเราก็จะเตรียมตัวได้ว่าณเวลานี้ ณวันนี้ณวินาทีนี้เนี่ยสัญญาณเล็ขต่างๆมากมายมันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเหลือเพียงแค่สัญญาณใหญ่ๆเท่านั้นเองนะครับที่ยังไม่มาถ้าวันใดก็ตามที่สัญญาณใหญ่มานะครับวันนั้นจะเป็นวันที่การเตาบัตกับเนื้อกับตัวของพวกเรานั้นนะครับถูกปิดประตูลงเพราะว่าลอสฮานุตลาล่าครับให้ท่านอบีมาประกาศอย่างชัดเจนว่ากําหนดวาระแห่งความตายกําหนดของวันเกียรมะก็ตามแต่เนี่ยนะครับ ถ้ามันเกิดขึ้นแล้ววิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วประตูเตาบัตรถูกปิดเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกวันนั้นประตูเตาบัตรก็ปิดแล้วนะครับและการที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนั้นก็เป็นสัญญาณต้นต้นของวันเกียร์มานะครับเป็นสัญญาณใหญ่ที่กียร์มัดจะเกิดก่อนที่กียร์มัดจะเกิดนะครับจะมีสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นก็คือ 1>, <G> 1ในนั้นก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก วันนั้นประตูตาบัตรทั้งหลายจะถูกปิดนะครับอัลลอ์สุลตาจะไม่รับการเตาบัตรของใครอีกแล้วนะครับและลสุลฮานตะลาก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกว่าว่าอีเดนจีบาลุซุยยิรัตนะครับว่าอนจบาลุซุยยิรัตและเมื่อบันดาภูเขาทั้งหลายนั้นมันเคลื่อนตัวเราจะเห็นได้ว่าภูเขาทุกวันนี้นะครับมันตั้งตรงานมันแข็งแกร่งเหลือเกิน มันเป็นสิ่งถูกสร้างที่ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่ทํามาจากดินถูกสร้างมาจากดินภูเขาก้อนหินนะครับในประเทศอาหรับในบางพื้นที่ในประเทศไทยในภาคใต้ถ้าเราไปเที่ยวนะครับเราจะเห็นว่าภูเขาเนี่ยเป็นหินทั้งลูกนะครับในภาคเหนือภูเขาจะเป็นทั้งดินและก็หินนะครับแต่ในวันกียรติมะอัลลอฮ์สุลตาราจะให้ภูเขาที่ตั้งตรงรานที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับมันเคลื่อนตัว และในบางอายะห์อัลลอฮ์สุนนะตาทรงตัดว่าภูเขาที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันจะลอยปลิวว่อนเหมือนกับปุยนุ่นนะครับและมันจะชนกันมันจะเกิดความโกูลาหนความปั่นป่วนจนกระทั่งว่ามันแตกเป็นเสี่ยงๆนะครับแตกระเบิดเป็นผุยผงวันนั้นจะเป็นวันที่อัลลอฮ์สุนนะตาได้ทรงตัดอีกนะครับว่าวาซุยยาลตินชีบาลุฟกาอันสารบานะครับเมื่อภูเขาทั้งหลาย มันเคลื่อนตัวนะครับมันปิ้ววันฟาก้านัสรรบาเชกเช่นกับภาพลวงตาคนที่เกิดนะครับคนมนุษย์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ณนะช่วงเวลานั้นน่ยสิ่งที่เขาเห็นมันจะเหมือนกับภาพลวงตาเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะจินตนาการได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่ในวันที่เขาเห็นกับตาของเขาเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับภาพลวงตาเพราะมันน่าสะเพงกลัวและมันเป็นสภาพอัน ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับสิ่งที่ไม่เคยเค ย, เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะดวงดาวที่อยู่บนชั้นฟ้าไม่ว่าแสงของดวงอาทิตย์นะครับที่มันดับมอดลงดวงดาวที่มันร่วงหลนนะครับดวงดาวจํานวนมหาศาลมันพุ่งชนกันกระจายนะครับภูเขาที่มันอยู่เบื้องหน้าเรามันพุ่งชนกันและมันแตกนะครับละเอียดเป็นผุยผงเนี่ยมันเหมือนกับภาพดวงตาที่อยู่เบื้องหน้ากับของมนุษย์ที่อยู่ในวันนั้นที่มีชีวิตอยู่ในวันนั้นนะครับ และลอสซาพาโนต้าแลก็ได้ทรงเล่าถึงนะครับพารนาถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยเห็นภาพมากยิ่งขึ้นถึงความกุลาหุนในวันนั้นนะครับอัลลอฮ์สุลตาราทรงตรัส ว, ว่าไาอิดันอิชาลุอุตติลัตนะครับอันไอเชาร์เนี่ยเป็นจาของอุชรอ์นะครับก็ ค, บคืออูดตัวเมียที่มันตั้งครันถึงสิบเดือนด้วยกันมันเป็นมินอันฟาศิลอัมวานอินดันอารับนะครับ ที่อัลลอฮ์สุลตาได้ยกสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นอุทาหรณ์เหล่านี้เนะี่ยลงมาก็เพราะว่าอัลลอฮ์สุลตาราให้กุรานลงมาในยุคจากฮิลียะใช่ไหมครับก่อนที่ตอนที่อิสลามนะครับมาประกาศอัลลอฮ์ก็ให้มีอายะกุรานต่างๆลงมาพูดถึงการฟื้นคืนชีพพวกคนเหล่านี้เขาปฏิเสธการฟื้นคืนชีพอัลลอฮ์สุตาลตาก็เลยยกตัวอย่างให้คนอาหรับในยุคนั้นนะครับเห็นภาพนะครับเห็นภาพมากที่สุดและก็ ยกตัวอย่างให้กับคนที่ไม่ใช่อารับเห็นภาพด้วยนั่นก็คือสถานการณ์ที่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนะี่ยคนที่รักกันแค่ไหนก็ตามแต่คนที่รักห่วงแหนสิ่งทรัพย์สมบัติของเขาแค่ไหนก็ตามแต่นะครับเขาจะทิ้งมันโดยที่ไม่แยแสใดๆทั้งสิ้นเลยเขาจะเอาตัวรอดนะครับเพราะว่าสถานการณ์อันน่าสะเพรือกวนน่ะ ในวันนั้นน่ยทุกคนจะเอาเพียงแค่ชีวิตของตัวเองรอดถึงแม้ว่าเขาจะมีทรัพสมบัติที่เขารักและหวงแหนมากที่สุดเหมือนกับอูดนะครับตัวเมียที่มันตั้งครันสิบเดือนเนี่ยที่เราเอาสิ่งเหล่านี้มายกอุทาหรณ์เนี่ยก็เพราะว่าคนในคนอาหรับเนี่ยนะครับทรัพสมบัติในยุคนั้นเนี่ยที่มีค่าที่สุดของเขาก็คืออูด ต, ตัวเมียที่ตั้งครันเพราะมันมีราคาแพงมากนะครับมันมีราคาแพงมากมันเป็น ทรัพสมบัติที่เขาหวงแหนมากนะครับดูแลเช้าดูแลเย็นนะครับหวงแหนรักษาอยากจะให้นะครับมันมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่ามันจะเป็นสมบัติที่ขายได้ราคาแพงมากแต่ในวันเกลียรมะถ้าเกิดวันเกียร์มาเกิดขึ้นความกูราหุนเหล่านี้เกิดขึ้นอู่ที่เขารักนะครับอู่ตัวเมียที่เขารักอู่ตัวเมที่ตั้งคันสิเดือนนะครับที่มีราคาแพงที่สุดเป็นทรัพสมบัติที่เขาหวงแหนที่สุดเนี่ย เขาก็จะทิ้งมันอันเนื่องมาจากเขากลัวสภาพในวันเกียร์มากลัวสถานการณ์ในวันนั้นนะครับแล้วก็อัลลอฮ์สุลตาราก็เลยยกตัวอย่างอุทาหอนให้กับคนที่ไม่ใช่อารับมนุษย์ทั้งหมดมนุษยชาติทั้งหมดได้เห็นภาพถึงความน่าสมึกน่าสะเพรงกลัวนะครับในวันนั้นว่าวันที่อัลลอฮ์สุบฮานตลาให้เกิดวันเกียร์มากขึ้นเนี่ยในสุร้ออับซาวะต์วัลลาที่เราได้ที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วในท้าย อายะที่ไทย ท, ยที่อัลลอฮฺสุลต่านทรงตรัสว่ายา่อมจะฟิรุลมรอ่มในว خ ي وأمّه و ว, ว ب ي ه บ ص ا ح ب ي ه وبني لَكُن ل ِ م ِ ر ِย ي م ِ ن ิ ه ُ م ْ يَوْمَ إِذِ شَنُوْيُهُنِي آية ที่ยี่สิบสี่ถึงอายะที่สามสิบสี่ถึงสาสิบเจ็ดนะครับซูรออาบาซาวันที่มนุษย์นั้นจะหนีจากพี่น้องแท้ๆของเขาพี่น้องที่คานตามกันมาจะรักกันนะครับแค่ไหนก็ตามแต่ ในวันเกียร์มจะช่วยเหลือกันจะรักกันมากนะครับจะกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดความน่าสะเพงกลัวสถานการณ์เหตุการณ์นันน่าสะเพงกลัวของวันเกียม์มาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องที่คานตามกันมาเขาก็จะทิ้งหนีห่างออกจากกันว่าอุมมิฮีว่าอาบีเขาจะทิ้งแม่ของเขามารดาของเขาพ่อของเขานะครับในดุนยาจะรักกันมากแค่ไหนก็ตามแต่ วันเกียรมัจะทิ้งหนีห่างออกจากกันวาซ่าไฮบาตตีฮีว่าบอนีภรรยาที่เป็นที่รักยิ่งของเขาลูกนะครับที่เป็นที่รักยิ่งของเขานะครับเหมือนดังแก้วตาดวงใจเขาจะทิ้งลูกของเขาภรรยาของเขาคนที่เขารักมากที่สุดมนุษย์ที่มีความใกล้ชิดกับเขามากที่สุดอัลลอฮ์ได้ยกอุทาหรหอนะครับเป็นมนุษย์ที่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุดเนี่ยเขายังสามารถที่จะทิ้งได้นั่นหมายถึงสภาพอันน่าสะพึงกลัวมาก นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันเกียรมะนะครับวันนั้นนะครับแม่สามารถที่จะทิ้งลูกได้ทั้งๆ้ที่ความรักของคนที่เป็นแม่นะนะครับมันมากมายมหาศาลเหลือเกินที่จะมอบให้กับลูกของนางนะครับแต่ก็สามารถที่จะทิ้งลูกของนางและก็ น, นี้หัวสุปหัวซุนเอาชีวิตรอดนะครับอันเนื่องมาจากความน่าสะเพลัวในวันนั้นและแต่ละคนนั้นลิกุนริมลิอิมมินหุมยาวมาอิสินชะนุ ย, ยุกนุนีเขาจะสารวจนอยู่กับการงานของเขาเท่านั้นเอง นะครับเขาจะเอาตัวของเขาให้รอดอัลลอฮุ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตัดไว้อีกนะครับว่าว่าอ uh ินอูฮูชูโฮเชียร์ตนะครับตรงนี้เชอุเซมีนบอกว่าอันอูฮูชเนี่ยคือจำอูวาชินแปลว่าสัตว์นะครับสัตว์เลื้อยคานสัตว์ที่มันคืบคานอยู่บนหน้าผืนแผ่นดินนี้ทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมแมลงสัตว์ นะครับเลื้อยคานสัตว์ที่นะครับคืบคานอยู่บนหน้าผืนแผ่นดินนี้ทั้งหมดรวมไปถึงสัตว์ปีกทั้งหมดทุกสัตว์ทุกสรรพสิ่งนะครับสัตว์ไม่ว่าจะมนุษย์จะสัตว์จะยินนะครับช้ตอนทั้งหลายวันกียมัติอัลลอฮฺสุบฮานาอุตตาลาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดับสูญนะครับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและมันจะถูกต้อนไปรวมกัน ว่าอีเดนวูฮูชวตรงนี้ก็คือสัตว์วชุนนะครับสัตว์ทั้งหลายนั้นจะถูกต้อนถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาและถูกต้อนมารวมกันอัลลอฮสุลตาลาได้ทรงตรัสไว้ในสุร์อนอามอีกนะครับว่าว่าม่ามินดาบตินฟินอัลดิวลา طائر ียติรุบ جناحيهإلاأممأمثالكممافرتنافنكتابمنشيئثمإلىربهميُحشرون สุรอ้อนอารมายะที่38มนะครับเชคอุซมินก็ยกอายะนี้มาสนับสนุนว่าไม่ใช่เพียงแค่สัตว์เลื้อยคานสัตว์ที่มันคืบคานนะครับสัตว์ที่เดินเท้านะครับอยู่บนโลกใบนี้เท่านั้นแต่สัตว์ปีกทั้งหลายด้วยนะครับอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าวามิมมามามินดบะตินไม่มีสัตว์ตัวไหนในโลกใบนี้ นะครับพื้นเป็นหน้าพื้นแผ่นดินนี้และไม่มีนกตัวใดที่บินด้วยกับปีกทั้งสองของมันเว้นแต่มันจะเป็นนะครับประชาชาติหนึ่งเชกเช่ชนพวกเจ้าอัลลอฮฺสุลตาราเรียกบรรดาสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นอุมมะหนึ่งเป็นประชาชาติหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประชาชาติที่อัลลอฮฺสุลตาราสร้างขึ้นมาให้อยู่ในโลกใบ น, นี้แต่พวกเขาไม่ใช่มุกัลลัฟพวกเขาไม่มีสติปัญญาที่จะปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุฮาห์ตาลาอันเนื่องมาจากว่า อัลลอฮฺสุลตาราเคยนําเสนอนะครับนําเสนออามานะต่างๆให้กับทุกสรรพสิ่งแต่ทุกสรรพสิ่งนั้นไม่รับอามานะเหล่านี้ไม่ใช่เพราะว่านะครับเขาปฏิเสธคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุลตาราแต่อัลลอฮฺสุลตาราให้เลือกนะครับเมื่อให้อัลลอฮฺสุลตาราให้เลือกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับทำไมเขาไม่รับนะครับชั้นฟ้าทั้งหลายไม่รับภูเขาทั้งหลายไม่รับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายทําไมถึงไม่รับอามานะนี้ เพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะถูกลงโทษในไฟนรกในสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ถ้ารับอามานะแล้วแล้วปฏิบัติไม่ได้หน้าที่ที่อัลลอฮฺสุตลาจะให้เขามาทําในดุลยานี้แต่เขาทําไม่ได้อัลลอฮฺบอกแล้วนะครับว่าจะให้สวรรค์กับคนที่ทําได้ผู้ที่ปฏิบัติได้แต่ผู้ที่ฝ่าฝืนผู้ที่ไม่สามารถที่ปฏิบัติได้นั้นอัลลอฮฺจะให้ลงนรกสิ่งถูกสร้างทั้งหมดไม่สามารถรับได้นะครับแต่มีมนุษย์กับยินนะครับที่ ว่ห้ามละหันอินทร์อินนะฮู้แกน่าซุ่มมันจะฮูละแต่มนุษย์กับยินเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าในอาย่นี้นะครับบรรดาอุลมามะบอกว่าจะไม่ได้กล่าวถึงยินแต่ในอายะอื่นก็มาชี้ชัดมายืนยันว่าบรรดายินนั้นก็เป็นสิ่งถูกสร้างหนึ่งที่อัลลอฮฺสั่งใช้ให้พวกเขานั้นได้มาทํำอิบาร์ดะต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาเช่นเดียวกับมนุษย์นะครับ ดังนั้นเมื่อสิ่ง ส, สร้างอื่นๆที่ไม่รับอามานะแต่อัลลอ์สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับให้อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้ประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ของให้กับสิ่งถูกสร้างที่อัลลอ์สั่งใช้เขามาทำอิบาราดในโลกนี้ต้นไม้สัตว์นะครับเป็นอาหารการกินของมนุษย์ต้นไม้ก็ให้ประโยชน์กับมนุษย์ สิ่งถูกสั่งสร้างสูงสร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มาทําอิบาดะต่อลอสุภานตาราเนี่ยไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้ทำอิบาดะแต่อัลลอฮ์สร้างเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์นี่คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์หลงลืมนะครับมีมากมายเหลือเกินที่อัลลอฮ์สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาอำนวยประโยชน์ให้กับมนุษย์เนี่ยแต่มนุษย์นั้นหลงลืมในในเดชานุภาพมนุษย์หลงลืมในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของลอสุภานตารา ที่เราประธานให้กับพวกเรานะครับแต่สิ่งเหล่านี้ในวันกิยามัตเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะฟื้นคืนชีพพวกมันขึ้นมานะครับบรรดาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ปีกสัตว์บกทั้งหลายนะครับอัลลอฮ์จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วต้อนพวกมันมารวมตัวกันนะครับแล้วละสุนนัตลาจะต้อนพวกมันมารวมตัวกันเพื่ออะไรนะครับในวันกิยามัตเนี่ยหลายๆครั้งนะครับที่เราเคยได้ยินอายะกุรานนะครับในสเรานนันนบใช่ไหมครับที่บอกว่า ยาลัยเตนีกุนตูตุรอบานะครับยาไลต์เตนีเนี่ยแปลว่าเป็นความหวังที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งเป็นคำพูดของกุฟารมุชริกินที่จะพูดในวันเกียรมาเมื่อเขาเห็นการลงโทษนะครับเขาก็จะขอจากอลอสุมฮาตาลาเขาก็จะนะครับลำพึงลำพันขึ้นมาว่าถ้าหากว่าฉันกลับกลายเป็นดินเสียก็ดีซะยิ่งกว่าที่ฉันจะถูกลงโทษนะครับในไฟนรกแล้วก็ คำว่ายาไลต์ตนีกุนตุตตรอบาเนี่ยหมายถึงกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งที่จะมาทำความดีงามนะครับกลับมาทำในสิ่งที่เขาละเลยเพิกเฉยและในบางรีวยิยนะครับในบางคำอธิบายของอนะุลามะเนี่ยบอกว่าคำว่ายาไลต์นีเนี่ยก็คือเมื่อบันดากุฟานมุชิริกีนะนะครับนรกอยู่เบื้องหน้าเขาและเขาเห็นนะครับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เอาล่อฟื้นคืนชีพ สัตว์ขึ้นมาและอัลลอฮฺสุลตราระให้บรรดาสัตว์เหล่านั้นมันคืนสิทธิ์ให้แก่กันและกันสัตว์ที่มันนะครับไปทําร้ายสัตว์อีกตัวหนึ่งจนกระทั่งเขาหักเาขาของอสัตว์อีกตัวหนึ่งหักเนี่ยอลัลลอฮฺก็จะให้ทั้งสองตัวนี้นะครับมาคืนสิทธิ์ให้แก่กันอัอลลอฮฺก็จะให้นะครับเขาของตัวที่มันหักไปเนี่ยมันงอกขึ้นมาแล้วอลัลลอฮฺก็บอกว่ากูน ah ีตุรอบาพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงกลับกลายเป็นดิน และทำให้กุฟานมุชลิกีนนะครับบรรดาพูดเป็นเสียสัทธาต่อลอสมันตาาเมื่อเห็นสัตว์เหล่านี้กลายเป็นดินแล้วเนี่ยพวกเขาก็เลยกล่าวขึ้นมาว่ายาไลตนีกุนตะูตูรอบาแ้าหากว่าฉันนั้นจะกลับกลายเป็นดินก็ดียิ่งกว่าตอนนี้ซะอีกนะครับให้ฉันนั้นต้องถูกลงโทษฉันกลับกลายเป็นดินเสียดีกว่าอีกนะครับซึ่งมีฮะดิษจาก บันทึกของอิหมามุสลิมนะครับรายงานจากอบูฮุรย์รอดเดลลองอันฮูได้กล่าวว่าท่า ah oh นอบดมุฮัมมัดสลลัลสลมได้กล่าวว่า a น j อ l j a า min al-shaat a l q ก r n i لا ت ؤ د วันกิยามะนะครับสิทธิ ต, ต่างๆจะถูกคืนสิทธ์แก่เจ้าของสิทธ แม้กระทั่งว่าแกะที่เขามันหักก็จะถูกนําสิทธิ์นั้นคืนจากแกะที่มีเขานะครับคือหมายความว่าสัตว์นะครับเมื่อมันได้ต่อสู้กันจนกระทั่งว่าเขามันหักตัวนี้ไปทําให้เขาตัวนี้หักอลัลลอฮ์ก็จะฟื้นคืนชีพมันมาเพื่อที่จะให้นะครับคืนสิทธิ์ให้กับมันทําไมอลัลลอฮ์สุตราระต้องฟื้นคืนชีพสัตว์ขึ้นมาแล้วคืนสิทธให้กับสัตว์นะครับ เพราะเป็นการยืนยันถึงความยุติธรรมอันยิ่งใหญ่ของลอสอวลตาลาให้ประจักษ์กับบรรดามนุษยชาติทั้งหลายทั้งกาเฟตและมุสลิมทั้งผู้ผัสศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์ได้ฟื้นคืนชีพแม้กระทั่งสัตว์ที่มันนะครับละเมิดสิทธิ์กันชนกันจนเขาหักอัลลอฮ์ก็จะทําให้สิทธิ์เหล่านั้นกลับไปหาผู้ที่ถูกละเมิดแม้แต่มันจะเป็นสัตว์ก็ตามแต่และหลังจากนั้นอัลลอฮ์สุนัตละนะครับก็จะทรงตัดกับมันว่า นะครับซึ่งมีฮะดิษอยู่บทหนึ่งนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็นฮะดิษเมาก์ฟนะครับคือรายงานที่เป็นคาพูดของสุฮาบะที่พูดถึงเรื่องของวันกยามะพูดถึงสวรรค์นรกเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สุฮับะไม่สามารถพูดเองได้หูกลมตรงนี้จึงเป็นหูกลมที่มอรฟว่รัฟถึงท่านนบีมุฮัมมัดสลแลสัลลัมนะครับรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมบินอัสรดิลลอฮอันหูไดกาวา فإذا ََِ فرغ َََ الله َُّ من َِ القصاص َِِْ بين ََْ الدواب ََِّ قال َ لها ََ كوني ُِ ترابا َُ فتكون ََُُ ترابا َُ فيراه ََََ الكافر َُِْ فيقول ََُُ يا َ ليتني ََِْ كنت ُُْ ترابا َُนะครับเมื่อการกิซาสตนะนะครับมันหรือการกิซาสตแปลว่าอะไรการกิซาสก็คือการคืนความยุติธรรมระหว่างกันนะครับคนนี้ฆ่าคนนี้ชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตนะครับ ไปทำฟันคนนั้นหักก็ต้องทําเอาฟันคนตัวเองออกนะครับนะี่มีการชดใช้กันเกิดขึ้นในวันเกียร์มานะครับการคืนสิทธิ์คืนความยุติธรรมระหว่างกาันระหว่างสัตว์จบสิ้นลงนะครับเมื่อการกีซอสการคืนสิทธิ์ความยุติธรรมระหว่างสัตว์จบจบสิ้นลงเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะทรงตรัสกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายว่ากู้นีตุรอบาพวกเจ้าทั้งหลายจงกลับ กลายเป็นดินซะเถิดนะครับและเมื่อบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์สุนนะตาเห็นการพิจารณาของอัลลอฮ์แล้วก็บอกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายจงกลายเป็นดินเช่นนั้นแหละพวกเขาก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าถ้าหากว่าฉันกลายเป็นดินอย่างสัตว์บ้างก็จะดีซะยิ่งกว่ามันเป็นความหวังที่เขาพูดมาแต่เป็นความหวังลมๆแรงๆนะครับเป็นไปไม่ได้แล้วอัลลอฮ์สุนนะตาจะไม่มีทางให้เขานั้น หนีพ้นออกจากการลงโทษของอัลลอฮ์สุลฮันตาลาได้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์สุลฮันตาลาจึงให้สัตว์ทั้งหลายถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาถูกต้อนไปมนุษย์ทั้งหลายถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาถูกต้อนไปนะครับไปอยู่รวมกันในทุ่งมัชชาร์ทุ่งสถานที่ที่ถูกต้อนมัชชาร์แปลว่าสถานที่นะครับเป็นอิสมุนมาแกนเป็นสถานที่ที่ถูกต้อนไปรวมกันและในวันนั้นอัลลอฮ์สุลฮันตาลาจะให้ดินแดน นะครับพื้นแผ่นดินที่เคยอยู่ปัจจุบันน <Land. S 1> mm ี้ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันถูกเปลี่ยนเป็นพื้นแผ่นดินอีกสถานที่หนึ่งเป็นแห่งหนึ่งนะครับเป็นพื้นแผ่นดินใหม่ไม่ใช่พื้นแผ่นดินที่เราเคยอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้ท้องฟ้าทั้งหลายก็จะถูกเปลี่ยนใหม่ถุนแผ่นดินก็จะถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับซึ่งในรายงานของฮาริสเนี่ยซึ่งเป็นนะครับความหมายภาษาไทยเนี่ยในพื้นแผ่นดินที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในวันนั้นน่ย จะมีสีขาวสีขาวโพลนเหมือนกับแป้งนะครับที่เอามาทำขนมปังชั้นดีนะครับจะมีสีขาวโพลนนะครับสวยงามในวันนั้นพื้นแผ่นดินจะถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดท้องฟ้าจะถูกเลิกนะครับและถูกมว้วนและถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยในวันนั้นเพื่อที่มนุษย์นั้นจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานูตอาลาวันที่จะถูกสอบสวนนะครับวัน ที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะถูกคืนสิทธิ์อย่างแท้จริงในวันกิยรติมาอัลลอฮฺสุบัยฮฺอัลตัลาได้ทรงตัดเอาไว้อีกนะครับว่าว่าอิดันนุฟูซุจูวิจัตนะครับและในแต่ละชีวิตนะครับก็จะถูกนำมารวมกันนะครับจูวิจัตนะครับมาจากคำว่าเ้า ว, ว่าจาอยู่เ้า ว, วิจุ สวิตหรือว่าสวัสในภาษาอังเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งนะครับคำว่าสวัสเนี่ยก็คือสามีภรรยามาครองคู่กันมาแต่งงานกันใช่ไหมครับเป็นคู่กันและซูวิจัตตรงนี้ก็คือหมายถึงทุกชีวิตนั้นจะถูกต้อนถูกรวมกันนะครับให้ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันคนชั่วจะอยู่กับคนชั่วคนดีจะอยู่กับคนดีน ค, คนที่ได้รับบัญชีมือขวาจะถูก ต้อนรวมกันกั บ, บนคนที่ได้รับบัญชีมือขวาคนรับบัญชีมือซ้ายก็จะถูกรวมกันกุฟฟ้ามิชริกินก็จะถูกแยกออกไปทุกๆ ก, กลุ่มนะครับจะอยู่ถูกต้อนมารวมกันเชคุัยมินบอกว่าฟตวะจันนุฟูซุยะอนีอยู่ดอมมุกุลุสินฟินอีลาซินฟีฮีนะครับหมายความว่าทุกๆชีวิตนั้นนะครับจะถูกรวมกันกับกลุ่มของพวกเขา กลุ่มคนดีจะอยู่กับคนดีกลุ่มคนชั่วจะอยู่กับคนชั่วดังที่อัลาลาอฮ์สุลต่านได้ทรงตัดเอาไว้ในซุลรอวากีอะฮะย่าที่7จ็ดนะครับว่าวกุ่นตุมอัจวะจะซาลและในวันนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจะมีอยู่3ามกลุ่มนะครับใช้คําว่าอัจวะแปลว่ากลุ่มเป็นคู่อยู่กันเป็นกลุ่มอยู่เป็นเป็นคู่คู่นะครับสามกลุ่มตรงนี้นะครับก็มีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อัสชาบุญเยมีนกลุ่มที่ได้รับบัญชีมือขวา แน่นอนครับเป็นข่าวดีที่จะทําให้เขาได้รับขึ้นสวรรค์ของลอสซุปฮานตลาล่ากับกลุ่มชนที่ได้รับบัญชีมือขวาแล้วก็อาซาบุชิมานกลุ่มที่ได้รับบั ญ, บญชีมือซ้ายและก็อาซาบิกูนนะครับกลุ่มที่รุดหน้าไปสู่ความดีงามทั้งหลายนั่นก็คือกลุ่มที่นะครับเมื่ออลอสซุนตาสั่งใช้อะไรคนเหล่านี้เขาจะรุดหน้าไปสู่ความดีงามกลุ่มนี้จะอยู่แนวหน้านะครับกลุ่มชนแห่งความดีงามทั้งหลาย นะครับแล้วก็บรนดาเยฮูดบรนดาเนอสรอบรนดากุฟันมุชลิกีนก็จะถูกต้อนลงไฟนรก ข, ของขออลอสสะพานอตะอาลานะครับแต่ละกลุ่มก็จะมาอยู่ด้วยกันนัคนับเราจะเห็นได้ว่ามีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับที่ท่านอับดุลเบี๋มหามะโซรอสลัล ล, ลุมนะครับได้กล่าวกับชายคนหนึ่งนะครับสหายบ้ารายงานว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยมาหานับีแน่นอนก็เป็นสหายบ้าก็มาหานับีได้มาถามถึงสัญญาณวันกิยามัตว่ามีอะไรบ้าง นะครับ <là> แต่นบีตอบชายคนนี But, ้ไปนะครับนบีไม่ได้บอกว่าสัญญาณเล็กมีอะไรบ้างสัญญาณใหญ่มีอะไรบ้างแต่นบีได้ให้ข้อคิดข้อเตือนใจที่นะครับมันเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งมากนะครับที่มีวิทยาปัญญามากนะเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งจะรู้หรือไม่รู้วันเกียรติมัดกต้องเกิดเขาจะรู้ว่ามีสัญญาณเล็กอะไรบ้างจะรู้ว่ามีสัญญาณใหญ่อะไรบ้างหรือจะไม่รู้ว่ามีสัญญาณเล็กอะไรบ้างสัญญาณใหญ่อะไรบ้างก็ตามแต่น่ ต่อให้เขาไม่มีความรู้มีความรู้วันเกียร์มัตยังไงก็ต้องเกิดท่านอับีก็เลยถามเขาวา่ามาอาดัแตละฮาแล้วท่านล่ะเตรียมตัวอะไรบ้างเกี่ยวกับวันเกียร์มาท่านเตรียมตัวอะไรบ้างในวันเกี่ยวกับวันเกียร์มานะครับชายคนนี้ก็บอกว่าฉันยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายเลยนี่คือความถ่อมตนของบรรดาซอฮาบะนะครับจริงๆแล้วนะครับคําว่ามไม่ได้เตรียมตัวอะไรของซอฮาบะเนี่ยแน่นอนก็เป็นนะครับ ถ้าเทียบกับพวกเราแล้วเนะี่ยพวกเขามีความดีมากมายเหลือเกินนะครับทั้งๆที่อัลลอฮฺ Allah สุตฺต์ละได้สัญญากับพวกเขาว่าพวกเขาทั้งหลายจะเป็นชาวสวรรค์ว่ากุลันวาอัลลอฮฺฮุสนานะครับทั้งหมดของซอฟบ์อัลลอฮฺสัญญาแล้วว่าพวกเขาจะเป็นชาวสวรรค์นะครับและก็จะมีบรรดาผู้ที่ถูกเจาะจงว่าจะเป็นชาวสวรรค์นะครับไว้ในฮะดิษอีกมากมายซอฟบ์เป็นคนดีนะครับโดยมากของซอฟบ์เป็นคนดีงาม นะครับอาจจะมีความฝ่าฝืนละเลยนะครับแล้วก็ทำความผิดพลาดในเรื่องของบทบัญญัติอิสลามบ้างนะครับแต่พวกเขาก็ยังอยู่ในความดีงามและชายคนนี้ก็บอกว่าฉันไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายแต่ฉันรักอัลลอฮ์และก็รอสูญนะครับน บ, บีก็เลยบอกว่าอันตะมะอามันอับบัตตะท่านจะได้อยู่กับคนที่ทันรัก ดังนั้นนะครับใครที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามรอซูลออกห่างจากที่อัลลอฮ์ใช้รอซูลใช้ออกห่างจากที่อัลลอฮ์และรอซูลห้ามปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลใช้เนี่ยเขาจะได้อยู่กับอัลลอฮ์และรอซูลเขาจะได้อยู่กับคนที่เขารักวันนี้นะครับเราพยายามที่จะปฏิบัติตามใครถ้าเรามีเน็ตไอดอนเป็นนักฟุตบอลเป็นดาราดาราทําอะไรเราเรียนแบบหมด แต่งตัวยังไงเราเรียนแบบหมดเขากินข้าวเขากินอะไรชอบกินอะไรเราเรียนแบบหมดวันเกียรติคุณก็จะได้ไปอยู่กับพวกคนเหล่านั้นนะครับถ้าคุณรักคนเหล่านั้นคุณก็จะไปอยู่กับคนเหล่านั้นเหมือนกับที่อยยิมูไกรยิมรอดมังรอดได้นะครับได้พูดไว้ว่าคนที่มักในลาบยศสารเสรนนะครับคนที่ทิ้งละหมาดคนที่ตะกบับดคนที่มีพฤติกรรมอย่างไรเนะี่ยก็จะไปอยู่กับคนเหล่านั้นคนหมูนาฟิกก็จะไปอยู่กับอับดุลลาบินอุบัยนะครับบินซาลูล นะครับคนที่มักในลาบยศสรรเสริญ น, นะครับชอบในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองจนทิ้งอิบาดะทิ้งการละหมาด ก, ก็จะไปอยู่กับฟิรูนจะไปอยู่กับฮามานไปอยู่กับกรูนนะครับใครที่มีพฤติกรรมยังไงในดุนยารักอะไรเขาก็จะไปอยู่กับคนเหล่านั้นนะครับหังนั้นตรงนี้ที่เอาล็อบอกว่าวไวซันนูฟุซุวิจัตในทุกชีวิตในทุกคนในทุกวิญญาณ นะครับในทุกชีวิตที่อัลลอฮสุลตานได้เฟืน้นคืนชีพขึ้นมาเขาจะถูกต้อนรวมกันไปอยู่เป็นกลุ่มๆนะครับและหลังจากนั้นนะครับอัลลอสุบฮานอนตาลาก็จะถามคำถามนะครับจะมีการสอบสวนถามคำถามกับคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาทำพฤติกรรมอันเลวร้นะครับตอนที่มีชีวิตอยู่ในดุญญาอันนึ่องมาจากว่า เขานั้นปฏิเสธเนียมมัดของอัลลอสุฮาตาลาดูถูกเดชานุภาพของอัลลสุบฮานตาลาในการฆ่าลูกทั้งเป็นเพราะว่ากลัวความยากจนกลัวสิ่งต่างๆนะครับที่จะมาประสบกับเขาในชีวิตของเขาเชื่อผิดๆในเรื่องของความในเรื่องของในเรื่องของ เลิกงามยามดีในเรื่องของลางร้ายในเรื่องของความไม่ดีไม่งามจะมาประสบกับชีวิตของเขาเมื่อเขาเกิดลูกขึ้นมาเป็นผู้หญิงเหมือนกับคนในยุคยาฮิริยะนะครับเชกุสไซมินบอกว่าเมื่อคนเหล่านี้ถูกแจ้งข่าวว่าเขามีลูกสาวคนเหล่านี้เขาจะรีบไปขุดดินนะครับและเขาเชื่อถึงความไม่ดีต่างๆที่จะมาสบกับชีวิตครอบครัวของเขาเนี่ยถ้าใครก็ตามมีลูกสาว นะครับแสดงว่ามันเกิดลางลายกับชีวิตของพวกเขาแล้วกับวงตระกูลของพวกเขาแล้วนะครับมันจะเกิดความไม่ดีไม่งามต่า ง, า ง, างๆนานาถ้าใครเกิดลูกชายนะครับมันจะเป็นหน้าเป็นตาเป็นสีแก่วนตระกูลของเขานะครับเขาจะเดินอยู่บนหน้าผืนแผ่นดินยืนอยู่ในสังคมด้วยกับความมีเกียรติแต่ถ้าหากว่าเขานะครับ เกิดลูกผู้หญิงขึ้นมาเขาจะหลบหน้าหลบตาไม่กล้าไปพบกับใครเลยถ้าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าข่าวนี้มันหลุดออกไปนะครับในสังคมเขาจะอับอายอย่างมากเลยแทบจะเอาหน้าซุกแผ่นดินหนีนะครับแล้วเขาก็จะไปขุดดินนะครับและเอาลูกของเขาเไปฝังทั้งเป็นและเชโกเซมีนพูดถึงขั้นว่าถ้าเขาตอนที่เขาขุดดินเนี่ยแล้วนะครับดินที่เขาขุดเนี่ยที่จะฝังลูกสาวของเขาเนี่ยมัน กระเด็นมาถูกเสื้อผ้าเขาถูกเข่าของเขานะครับถูกตัวของเขาเขาจะรีบล้างมันออกเพราะเขาถือว่ามันเป็นความอัปมงคลสุบภานลลอศุภานลลเมื่ออิสลามมาอิสลามมายกสถานะของลูกสาวอิสลามมามายกสถานะของผู้หญิงให้เกียรติผู้หญิงอย่างมากนะครับในการที่ท่านอบดุลเบีมหามัดบอกว่าใครก็ตามมีลูกสาวสามคนนะครับและเลี้ยงลูกสาวของเขาเป็นอย่างดีให้อยู่ในศาสนา ลูกสาวของเขาจะเป็นม่านกั้นไฟนรกให้กับเขาในวันกียร์มาลูกสาวเขาจะขอเชฟะให้กับเขาในวันเกียร์มานะครับแล้วก็มีคนถามนบีว่าแล้วมีสองคนละ่ะนบีก็บอกว่าใช่หนึ่งคนนบีก็บอกว่าใช่นะครับนั่นหมายความว่าอิสลามมาปุ๊บยกสถานะให้เกียร์กับลูกสาวให้เกียรติกับผู้หญิงให้เกียรติกับมุสลิมะนะครับให้เกียรติกับบรรดาผู้หญิงของมุสลิมของเราอิสลามของเรานะครับ แต่วันนี้นะครับในสถานการณ์ยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันเลวร้ายซะยิ่งกว่านะครับยุคยาฮิริยะโดยซ้ํายุคจาฮิริยะเนี่ยการที่คนคนหนึ่งจะฝังลูกทั้งเป็นนะครับเขาจะต้องรู้ก่อนว่าลูกของเขาเกิดมาคลอดออกมาแล้วเป็นลูกสาวเขาถึงจะเอาลูกสาวเข้าไปฝังแต่คนในยุค ป, ปัจจุบันนะครับเลวร้ายยิ่งกว่ายุคยาฮิลิยะเพราะว่าเขาฝังลูกเขาฆ่าลูกของเขาทาั้งทั้งที่ยังไม่รู้เลยได้ซ้ำว่าลูกของเขาเป็นเพศอะไร เขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าลูกเขาเป็นลูกชายเขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าลูกของเขาเป็นลูกผู้หญิงนะครับเขาฆ่าลูกตั้งแต่รู้นะครับวินาทีแรกที่รู้ว่าเขาตั้งครันเขายังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกนะครับทำซีนานะครับไม่พอไปตั้งครันนะครับท้องก่อนแต่งตั้งครันขึ้นมาก็ไปฆ่าลูกทั้งเป็นในครันมารดาในครันของตัวเองนะครับถ้าพี่น้องเคยดูคลิปนะครับสุภานลอเป็นคลิปที่น่ากลัวมากที่เขาถ่ายคลิป ตอนที่จะนำเครื่องนะครับที่จะเป็นเครื่องเหมือนกับใบมีดนะครับที่เข้าไปแล้วมันไปนะครับไปปัน่นก้อนเลือดที่อยู่ในคันนะครับ <or Beat "S> หรือว่าบางคลิปเนี่ยที่เขาถ่ายเนี่ยเด็กเนี่ยเป็นรูปร่างแล้วแล้วเด็กพายายามที่จะนะครับดิ้นหนีสุดชีวิตนะครับแต่เขาไม่สามารถที่จะหนีใบมีดนั้นได้ที่จะเข้าไปแล้วก็ปั่นนะครับเอาก้อนเลือดแล้วก็ ขับเลือดนั้นออกมานะครับเป็นคลิปที่เขาทสร้างขึ้นมาให้เห็นถึงความน่ากลัวแล้วก็การดิ้นการหนีเอาชีวิตรอดของเด็กที่อยู่ในคันก่อนที่จะถูกทำแท้งสุดทานั่นแลในยุคนี้นะครับในยุคนี้มีทั้งความเสื่อมเสียพฤติกรรมที่เลวายของยาฮิดียาที่มันยังคงค้างอยู่หรือ เป็นพฤติกรรมของจารย์ริยะที่มันย้อนกลับขึ้นมานะครับปรากฏขึ้นมาถูกปฏิบัติขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มันหายไปหลายพันปีที่แล้วนะครับหรือพันกว่าปีที่แล้วนะครับพฤติกรรมเหล่านี้มันยังคงมีอยู่มาจนถึงทุกวันนี้หรือบางพฤติกรรมมันหายไปแล้วมันย้อนกลับมาเกิดขึ้นอีกในยุคปัจจุบันของเรานะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เลวร้ายทั้งในเรื่องของชีริกก็เลวร้ายกว่ายุคก่อน ทั้งในเรื่องของพฤติกรรมนะครับการกระทําความผิดบาปการฝ่าฝืนก็เลวร้ายกว่าในยุคยาฮิลียะก่อนที่อิสลามจะมาด้วยซ้ําในยุคของเราที่ท่านเชคอุสมุฮัมมัดอิบเนอร์ดินบะวะฮับนะครับบอกว่าคนในยุคนี้เนี่ยชีริกของพวกเขาแรงกว่าหนักกว่าชีริกในยุคก่อนคนในยุคก่อนเนี่ยถ้าเขาจะทําชีริกเขาจะทําชีริกในสภาวะนะครับที่เขายากลําบากเท่านั้นในยามที่เขายากลําบากอย่างเช่นเขาขึ้นเรือไป แล้วขึ้นมันโหมกระหน่ำเรือของเขาจะอับปางเนี่ยเขาจะขอดุทิศจากอัลลอฮ์ตอนที่เขาอยากลําบากเขาจะแหงนหน้าขึ้นฟ้าแล้วก็ขอดุทิศจากผู้ผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงขอให้อัลลอฮ์สุตะลาคุ้มครองแต่พอเขาขึ้นบกเขาปลอดภัยแล้วเขาก็กลับไปทําชีริกตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เขาทําชีริกตอนที่เขาสบายแต่ตอนที่เขาลําบากเขาไม่ทําชีริกแต่คนในยุคนี้เนี่ยตอนสบายก็ทําชีริกตอนลําบากก็ทําชีริกนะครับ และค่าลูกทั้งเป็น ท, ทั้งทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าลูกของเขาเนี่ยเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแต่คนในยุคก่อนจะฝังลูกทั้งเป็นเมื่อรู้ข่าวว่าลูกของเขานั้นเป็นลูกสาวนะครับอรรถสมาตาลาได้ทรงนะครับตรัสเอาไว้ในเอ่อได้เห็นให้เห็นถึงนะครับสถานการณ์ของคนในยุคก่อนเนี่ยว่าคนในยุคก่อนเนี่ยเมื่ออลรสุภาโนต า, าลานะครับได้ เมื่อพวกเขาได้ถูกแจ้งข่าวดีนะครับว่าเขาได้ลูกสาวเมื่อเขาได้ถูกแจ้งข่าวว่าเขาได้ลูกสาวเนี่ยพวกเขาจะมีใบหน้าที่หมองคล้ำพวกเขาจะนะครับเศร้าโศกพวกเขาจะรู้สึกเสียใจถึงความไม่ดีไม่งามที่เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวของเขาแล้วพวกเขาก็จะเอาลูกของเขาไปฝังและเหตุการณ์นี้แหละนะครับที่เขาเคยทำไว้ตอนดุญยาเนี่ยลอสซูนาตาลาจะ นำมาสอบสวนพวกเขาต่อหน้ามนุษยชาติทั้งหมดว่านะครับอลัลลอฮฺจะถามใครอลัลลอฮฺไม่ได้ถามคนทำรรแต่อลัลลอฮฺจะถาม ว, วิญญาณของเด็กน้อยเหล่านั้นที่อลัลลอฮฺฟื้นคืนชีพพวกเขาขึ้นมา น, นะครับเด็กผู้หญิงที่ถูกฝังเนี่ยอลัลลอฮฺจะถามว่าไวไอซันเมาอูเดตุสุอิลัดบีไอยซัมบินกูติลัดนะครับบัณฑาผู้หญิงลูกสาวนะครับเด็กทารกผู้หญิงทั้งหลายเนี่ย ที่ถูกฝังทั้งเป็นนางจะถูกถามซูอิลัต์บีไอ ย, ยิซัมบินด้วยกับความผิดอะไรที่พวกนางพวกเธอนั้นถูกฆ่าตายในยุคจากฮิลียะนะครับในยุคนี้ก็เหมือนกันใครที่ฆ่าลูกใครที่ทําแท้งนะครับด้วยกับความตั้งใจด้วยกับการที่จะต้องการเอาเด็กออกโดยไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับไม่มีเหตุผลที่ศาสนารองรับอย่างเช่น เลี้ยงลูกลูกถ้าหากว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตกับคนที่เป็นแม่นะครับแล้วก็เด็กก็ไม่มีทางที่จะมีชีวิตอยู่รอดด้วยกับการยืนยันจากแพทย์แล้วเนี่ยนะครับเราต้องรักษาชีวิตของคนที่มีชีวิตอยู่นะครับนั่นก็คือแม่จะต้องถูกรักษาชีวิตและก็สามารถที่ทําแท้งได้ถ้าหากว่านะครับลูกยังไงก็ตายและก็ถ้าหากว่ายังเอาลูกไว้แม่ก็ต้องตายด้วยเนะี่ย แพทย์ก็จะยืนยันว่าถ้าแบบนี้จะต้องรักษาชีวิตของแม่ไวเนี่ยก็ต้องเอาลูกออกอันนี้เรียกว่าเป็นอุสรเช ร, i, นรเนนนนนีนะครับเป็นอุปสรรคที่ทางศาสนานั้นอนุโลมอนุญาตให้ทาแท้งได้นะครับแต่ถ้าหากว่าลูกก็แข็งแรงสมบูรณ์แม่ก็แข็งแรงสมบูรณ์แต่ไม่อยากเลี้ยงเพราะมันเป็นมานหัวขนนะครับไปทําซีนามาแล้วก็นะครั บ, ไ, ามานะรบไม่อยากจะ มีลูกเพราะว่ายังเรียนอยู่ก็เลยจะต้องไปทําแท้งอันนี้นะครับบาปซ้ําแล้วซ้ําอีกทั้งทำซีนาและก็ฆ่าลูกทั้งเป็นนะครับตรงนี้ถือว่าถือว่าจะต้องถูกสอบสวนอย่างหนักในวันกิยามาการที่อัลลอฮฺสุลต่านได้ถามเด็กไม่ได้ถามคนกระทำเนี่ยเพราะอ All ัลลอฮฺสุลต่านต้องการยืนยันนะครับให้กับทุกคนได้รู้ถึงพฤติกรรมของคนเลวที่มันอยู่ นะครับเบื้องหน้าอัลลอฮฺสุภาอุตาลาให้เด็กที่บริสุทธิ์เนี่ยได้ตอบคําถามขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่เด็กไม่มีความผิดแต่ที่อัลลอฮฺได้ถามเด็กเพื่อที่จะให้เด็กที่บริสุทธิ์นั้นได้ยืนยันถึงความผิดบาปของพ่อแม่ที่ได้ฆ่าเขานะครับตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับลูกของเขาที่เกิดออกมาแล้วนะครับมีชีวิตสมบูรณ์เขาเอาลูกของเขาไปฝังโดยที่หัวใจของเขานําอัมมาหิดมากนะครับฝังลูกของเขาตายต่อหน้าต่อ ต, อตาทั้งๆที่มีชีวิตอยู่ ซุบฮาน a ลอ a นะครับเชคุสัยมินบอกว่าสัตว์เนี่ยนะครับ for นั n a ะ w o h u u s h อาล n u ala ว w l a diha ว a ฮ y a u h สัตว์เนี่ยมันไม่มีสติปัญญามันยังรักลูกของมันนะครับแต่นี่คนมีสติปัญญาแท้ๆกับฆ่าลูกทั้งเป็นได้อัลลอฮฺทราอลาอจึงถามเด็กนะครับถึงความผิดอะไร เจ้าผิดอะไรเจ้าถึงถูกฆ่าแน่นอนนะครับทุกคนต่างรู้ดีว่าเด็กไม่มีความผิดอยู่แล้วนะครับแต่อัลลอถามต้องการที่จะให้เด็กยืนยันถึงความผิดบาปของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ฆ่าลูกทั้งเป็นนะครับแล้วอัลลอด้ทรงตัดไว้ในอายะต่อมาว่าว่าอิสซุฮุฟนูชิรันะครับและเมื่อบันทึกต่างๆของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนูชิรัถูกกางออกมานะครับถูกกางอยู่เบื้องหน้า ของมนุษย์ทั้งหลายวันที่มนุษย์นั้นจะถูกสอบสวนอัลลอฮฺสุตฺตฺอาจะให้บัญชีถูกกลางขึ้นมานะครับอัลลอฮฺสุตฺตฺอาทรงตัดไว้ในอายะอื่นอีกนะครับว่าวัคุลูอินแซเนนอันซัมนาฮูตอเอลฮูฟีอันุกีอัลลอฮฺจะให้บันทึกเหล่านั้นนะ่ะอยู่ติดตัวกับเขานะครับบันทึกจะอยู่ณต้นคอของเขาเลยนะครับจะอยู่ร่วมกับเขาจะอยู่เบื้องหน้าของเขาเขาจะได้เห็นบันทึกนั้นนะครับวานุคริจูลาหู ย้มันกียามตะกิตาบัญญัติข้อของมันชูรออัลลอฮ์จะให้บันทึกเหล่านั้นออกมาในวันเกียมาและจะกางอยู่เบื้องหน้าของเขาและอัลลอฮ์สุนตาจะทรงตัดไว้อีกนะครับว่าอิกรอกีตาบักกาฟาบินับซิกันเย้ามาอาเลกกะฮาซีบะอ่านบันทึกของเจ้าซะวันนี้เจ้าจะเป็นผู้ที่ได้สอบสวนนะครับตัวของเจ้าเองอ่านดูสิว่าเจ้าได้ทําอะไรบ้างนี่คือความยุติธรรมมันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันเกียมา เราจึงสร้างวันเกียรติขึ้นมาเพื่อให้มนุษนย์นะได้รับการตอบแทนอย่างเต็มที่คนที่ทำความดีจะได้รับการเตตอบแทนอย่างเต็มที่คนที่ทำความชั่วจะได้รับการตอบแทนอย่างสาสมในโลกดุนย์ใยใบนี้นะครับเป็นโลกแข่งการงานไม่ใช่โลกการตอบแทนดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่ทำความดีมากมายเขายังไม่ได้รับการตอบแทนอย่างเต็มที่คนที่ได้รับทำความผิดบาปยังไม่ได้รับการตอบแทนอย่างสาสม วันนี้คนทำชั่วมาอาจจะพ้นคดีได้ด้วยกับการที่เขามีเงินมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับยัดไตโต๊ะบ้างนะครับเอาเงินทรัพย์สินเงินทองเขาตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาเนี่ยนะครับทำให้เขาหลุดพ้นจากคดีได้เขายังไม่ถูกตอบแทนอย่างสะสมคนที่ทําความดีมากมายอาจจะยังไม่ได้รับการตอบแทนอย่างเต็มที่อลัลลอฮฺจึงให้มีวันกิยามาขึ้นมาเพื่อที่จะตอบแทนมนุษย์อย่างเต็มที่ด้วยกับความยุติธรรมในการที่อลัลลอฮฺเป็นผู้ตัดสินแต่เพียงผู้เดียว และมนุษย์จะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ทำไปแม้แต่คำพูดคำเดียวที่พูดออกปากไปคำพูดที่ดีคำพูดที่ไม่ดีนะครับที่พูดหลุดออกจากปากเขาไปเนี่ยจะมีมาเลย์กาบันทึกดังที่อลัลลอฮ์ตัดว่ามายันฟิสูมินเกาลินอินลาและไดฮิรอตี้บุนอาตีดในสุรอกอฟอายะที่18นะครับไม่มีคำพูดคำพูดใดเว้นแต่ว่าหน้าที่เขานั้นจะมีรอกีฟกับอาตีดอยู่รอกีเป็นชื่อมาเลยกา ด้านขวาบันทึกความดีอัลติศนะครับก็คือมันมาลายแก้ที่บันทึกความชั่วด้านซ้ายด้วยเหตุนี้แหละนบีจึงเตือนนะครับว่ามินฮุสนินอิสลามินมารีตาร์กูฮุมาลายะนินะครับเป็นความสวยงามนะครับของอิสลามที่ปรากฏในตัวคนคนหนึ่งนั่นก็คือการละทิ้งในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขานะครับแต่วันนี้นะครับพวกเราชอบไปสอดส่องเรื่องชาวบ้านบ้านนั้นเป็นแบบนี้คนนั้นเป็นแบบนี้ พูดถึงแต่คนอื่นแต่ไม่เคยพูดถึงตัวเองเลยว่าตัวเองทำอะไรตัวเองนะครับมีพฤติกรรมแบบไหนแต่ไปพูดกับทุกสิ่งทุกอย่างไปสนใจแต่เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองนั่นไม่ใช่ความสวยงามของอิสลามในที่ปรากฏกับตัวคนคนหนึ่งความสวยงามของอิสลามคำสอนของอิสลามก็คือไม่ต้องไปสนใจในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับและท่านาบีมฮัมมัด ส, สุลลัมสัสสสส่กล่าวไว้อีกว่ามันแกนอายุมินุบิลลาฮิวาเลียมิลอาคร ฟ่องเรกุลค่อยรอนเอาลียัสมุดนะครับหะดิสล่านี้ท่านเชฟอุซัยมินได้ยกมาเพื่อที่มาสนับสนุนนะครับอายะนี้ว่าใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอ์และวันอาคเราะแล้วเนี่ยให้พูดคำพูดที่ดีมิฉชนนั้นก็จงนิ่งเสียเพราะก่อนที่เขาพูดเขาเป็นนายของมันคนเราเนี่ยจะพูดอะไรออกมาเนี่ยก่อนที่เราจะพูดมันเราคิดได้ว่ามันดีหรือไม่ดีมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะครับ มีประโยชน์มากหรือมีประโยชน์น้อยมีผลเสียมากกว่าหรือมีผลน้อยเราจะต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ก่อนที่เราจะพูดถ้ามีประโยชน์มากกว่าผลเสียพูดออกมาแต่ถ้าหากว่าประโยชน์กับผลเสียมันเท่ากันเงียบดีกว่านะครับไม่ต้องพูดถึงว่ามีผลเสียมากกว่าถ้ามีผลเสียมากกว่าวา ย, ยติต้องเงียบแต่ถ้าหากว่าผลเสียกับผลดีมันเท่ากันนะครับก็เงียบดีกว่าแต่ถ้าผลดีมากกว่า ให้เราพูดเพราะมันมีผลดีกับเราและมีผลดีกับคนรอบข้างดังนั้นนะครับก่อนพูดเราเป็นนายของมันแต่หลังพูดแล้วมันเป็นนายของเรามันเป็นหลักฐานมัดตัวเรายิ่งพูดมากบาปก็ยิ่งมากบาปยิ่งมากการสอบสวนก็ยิ่งยากนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับกับคําพูดของเราและลัทธิสุวรรณตาดได้ทรงตัดเองนะครับว่าวิราชสามาอุกุชิตนะครับและเมื่อชั้นฟ้าทั้งหลายมันถูกพลิกนะครับถูก ม้วนมันถูกเลิกนะครับถูกเลิกเหมือนเชคุซินบอกว่าเหมือนกับการนะครับลอกหนังสัตว์นะครับจากตัวสัตว์อัลลอฮุซุนาอตะลาจะม้วนมันนะครับจะเลิกมันออกมานะครับในวันกิยามะอัลลอฮุซุนาอัลตะลาได้ทรงตัดไว้ในอายะมากมายนะครับที่พูดถึงชั้นฟ้าเนี่ยวัสมะอุบะเนายนฮาฮ์บิไอดินอัลลอฮุซุนาอัลตะลาได้สร้างชั้นฟ้าขึ้นมานะครับให้มันมีความแข็งแก่ง ว่าบานไอนาเฟวก็กลุมซาบาอันชีดาดาอาลัลลอฮ์ได้สร้างเจ็ดชั้นฟ้าขึ้นมาเหนือพวกท่านน่ะนะครับมันมีความแข็งแกร่งมันเป็นนะครับเหมือนกับเอ่เอหลังคาของโลกดุนยาใบนี้เพื่อที่จะปกป้องนะครับไม่ให้ดวงดาวไม่ให้ดาวเคาะดาวหางต่างๆที่มันพุ่งชนโลกเนี่ยนะครับมันผ่านชั้นบรรยากาศเหล่านั้นเข้ามาขึ้นอา่าเข้ามาในโลกใบนี้ได้อลัลลอฮ์ต้องการปกปักรักษาชีวิต ที่อยู่บนโลกใบนี้ให้อยู่นะครับอยู่บนความผาสุกอยู่บนความปกติสุขอัลลอฮ์จึงสร้างชั้นฟ้าขึ้นมาให้เป็นเหมือนกับหลังคาของโลกใบนี้แต่ในวันกิยามะเนี่ยอัลลอฮ์สุฮาตาลาบอกว่าอิบะดิษมาอุกุชิตตนะครับมันจะถูกเลิกแล้วก็ถูกอธิบายด้วยกับอายะอื่นอีกมากมายว่าวัสมาวะตุมตุยะตุบิยามีนิในวันกิยามะเนี่ยชั้นฟ้าทั้งหลายจะถูกม้วนนะครับด้วยกับพระหัตถ์ขวาของอัลลอฮ์สุฮาโนตาลา เราก็ยืนยันไปตามนั้นว่าอัลลอฮ์มีนะครับพระหัตอัลลอฮ์ Allah มีพระหัตขวาอัลลอฮ์จะม้วนด้วยกับนะครับเดชานุภาพของอัลสุบฮานุตาอาลาด้วยกับพระหัตขวาเย้ามานตุวิสสามาอิเย้ยามานตุวิสสามารถะเตยิตยยสซิจลิเซจิลิลกุตุบนะครับอัลลอฮ์จะม้วนชั้นฟ้าเนี่ยเหมือนกับการม้วนบันทึกม้วนกระดาษเลย ว่ลลาลอหุตาอาลลอาลัมว่าจะเป็นการม้วนแบบไหนมีวิธีการที่เราไม่รู้อัลลอฮ์สุตลตาระเท่านั้นที่ทรงรู้แต่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์จะม้วนด้วยกับมือขวาพระหัตถ์ขวาของอัลลอฮ์สุลฮานตาระและวันนั้นนะครับเชคุสเซมินบอกว่าเมื่อชั้นฟ้าถูกม้วนเก็บทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับวันนั้นก็จะเป็นที่โล่งฟอเบาะนะครับจะเป็นที่โล่งและสิ่งที่เราจะเห็นในวันนั้นก็คือวยะมิลูอารชารอบบีกาฟาวกหุมเยาว์ไมอิลินสตมาเนีย มาละก้าแปดท่านที่ยกนะครับบลังแบกบาลังของอัลลอสุบฮานวตาลาอยู่สุบฮานอัลลอฮวันนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยให้เห็นวันที่อัลลอได้ม้วนชั้นฟ้าแล้วอัลลอก็จะประกาศถึงความยิ่งใหญ่ว่าอันนันมาลิกข้านี่แหละคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ไอนามูลูกุลอดัดีและใครที่อ้างตัวว่าเป็นกษัตริย์บนหน้าผืนแผ่นดินนี้นว่ามาสินะครับ อัลลอฮ์สุตัลละก็จะม้วนผืนแผ่นดินชั้นฟ้าและคลายเหวมันนะครับและอัลลอฮ์ก็กล่าวคํานี้ขึ้นมาถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ سبحانه และ ต, ลตัลละและรอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ว่าว่อีดันจะให้มุสอิรัดในวันนั้นนะครับอับลลอฮ์ سبحانه และตัลละจะให้ไฟนรกเนี่ยมันถูกจุดขึ้นมานะครับแล้วเชื้อเพลิงของไฟนรกอย่างที่ผมบอกไว้เบื้องต้นว่าเชื้อเพลิงของไฟนรกเนี่ยก็คือวาคูดูฮันนาสุวันฮิจาระ มนุษย์ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์มนุษย์ที่ทําการเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮ์วลฮิจารอะนะครับอิมรุอั บ, อบบาสบอกว่าฮิจารอะตรงนี้ก็คือก้อนหินที่ถูกนําไปทําเป็นจเจวิตทั้งหลายจะถูกโยนลงไฟนรกนะครับแล ะ, จะเจวิตทั้งหลายที่จะถูกนําโยนลงไฟนรกเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกให้มันร้อนนะครับให้มันกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ร้อนแรงเพื่อจะเผาผลาญบุคคลที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์สุบฮานูตาลา แล้วก็จะมาอยู่เบื้องหน้านะครับกาเฟสจะได้เห็นสถานที่พำนักของพวกเขาอัลลอฮ์สุลตาก็จะให้มุมิเนี่ยได้เห็นสถานที่พำนักของพวกเขาอัลลอ์สุลตาด้ตัดว่าว่อิซันชั่นนะทุออซลิฟัดนะครับวอิซันชันนะุอซลิฟัและสวรรค์ น, นั้นจะถูกทำให้ใกล้ก็คือได้เห็นภาพของสวรรค์บรรดาคนที่ทำความดีทั้งหลายก็จะได้เห็นนะครับภาพอันอรื่นรม ที่อยู่เบื้องหน้าของเขานั่นก็คือสถานที่พำนักของเขาคือสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาอัลลอฮฺจะได้อัลลอฮฺจะประดับประดาอัลลอฮฺจะทําให้มันใกล้นะครับตั้งแต่ที่วันที่อัลลอฮฺสร้างสวรรค์ขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮฺก็เริ่มประดับประดาสวรรค์ด้วยกับการงานของคนที่อัลลอฮฺบันทึกแล้วว่าคนเขานี้นะครับจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺด้วยกับพฤติกรรมของเขาการงานของเขาที่เขาได้ทําในโลกดุนยาการงานเหล่านี้ก็จะ นำไปนะครับถูกนําไปเสนอนาที่อัลลอฮ์และการงานมากมายที่เป็นการงานที่จะทําให้สวรรค์เขานั้นมีความสวยงามถูกประดับประดาด้วยกับอา ม, มันอิบารัดาต่างๆของเขาและวันเกียร์มัสอัลลอฮ์จะให้การงานนั้นสวรรค์ น, นั้นมาอยู่เบื้องหน้าเขานะครับและก็เขาได้เห็นถึงการตอบแทนนั้นยิ่งใหญ่จะเป็นวันอิจที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงที่แท้จริงของผู้ศรัทธานะครับและ นะครับเมื่อเราได้อ่านมาถึงถึ ง, ถงอายะนี้แล้วเนี่ยนะครับอิดชชมซูกูวีรสจนมาถึงวายอิทันเจนตุอุสลิฟัตเนี่ยเชคอุไซมีนบอกว่าทั้ง12อาย่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นอ่ามันเป็นชาร์ทมันเป็นเงื่อนไขที่ว่าอาลัลลอฮฺสุต阿拉ทาไมถึงให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทําไมอลัลลอฮฺถึงม้วนดวงอาทิตย์ให้ดับแสงทําไมต้อง ตอนมนุษย์ขึ้นมาให้สัตว์มันฟื้นคืนชีพขึ้นมาทำไมอัลลอฮ์ถึงพูดถึงเหตุการณ์ถึงวัมรรยาตขึ้นมาเพื่อที่ว่ามนุษย์นั้นเนี่ยอิลลิมัตนับซุมมาอหลลอฮ์มนุษย์เนี่ยจะได้รู้ว่าวันหนึ่งการงานที่เขาได้ทำทั้งหมดมันจะต้องถูกนำกลับมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งเป็นการเตือนใจให้กับมนุษย์ได้คิดสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่อ่านกุรอานแล้วคิดพินิจพิจารณาตามว่าที่อัลลอฮ์สุตาละได้เล่าถึงเหตุการณ์เหล่านี้นะครับ ไม่ได้เล่าเพียงแค่ข่มขู่มนุษย์อย่างเดียวแต่อัลลอฮ์ต้องการให้กับผู้ที่ฉุกคิดผู้ศรัทธาผู้ที่มีอหมาในหัวใจของเขาเนี่ยนะครับได้รู้ว่าวันหนึ่งวันที่เขายือนอยู่ต่อนหน้าอัลลอ์เขาจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทำอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่เขาได้ทำความดีเอาไวแน่นอนอย่าคิดว่ามันเป็นการกระทำที่เหนื่อยหน่าย ใหญ่คิดว่ามันเป็นการกระทำที่ทำไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้อะไรนั่นไม่ใช่วิธีคิดของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาจะต้องคิดเสมอว่าที่ฉันทำในวันนี้เพื่อที่จะเป็นสเสบียงที่ดีเลิศในวันที่ฉันได้กลับไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะมาอัลรอฮ์จะนำมาทั้งหมดให้เห็นในวันเกียรตินะครับและเราเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่อ่านมันได้เห็นมันกับตาและวันนี้นะครับเมื่ออัลลอฮ์ุนตาลาบอกเราถึง การงานทั้งหลายที่จะทําให้เราได้เข้าสวรรค์เราก็ต้องเข้าหามันการงานใดที่ทําให้อลลอสต้าพอพระทัยในตัวเราเราก็ต้องรีบปฏิบัติมันการงานใดที่มาจะที่มันจะทําให้อลลอกรกดกิว้วเราก็ต้องละทิ้งหนีห่างออกจากมันเราต้องระมัดระวังตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเราอย่าเป็นบุคคลที่ทําลายการงานของเราเองนะครับเพราะวันนี้มากมายนะครับ ท, ท, ที่ทำการงานอย่างมากมายทำอามันอิบาดาห์อย่างมากมายแต่เขาเองเป็นคนที่ทำลายการงานของเขาด้วยกับการที่เขาไปทำาลายผู้อื่นไปนินทาผู้อื่นนะครับเขาทำลายการงานของเขาทาลายการงานของเขาด้วยกับการทำบิดะะทำความดีมากมายมีเพียงแค่ความบริสุทธิ์ใจแต่เขาปาัาศจกการปฏิบัติตามท่านนบีบางคน ทำสุนนะมากมายแต่ทําลายการงานงเคขาด้วยกับการที่เขาไม่อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์สุฮาห์ตลาห์ดังนั้นวันนี้การงานมากมายท่านอย่าเป็นบุคคลที่ทําลายการงานของท่านด้วยกับตัวของท่านเองนะครับเพราะมันไม่มีใครมาทํงานทาลายการงานของท่านได้นะครับนอกจากตัวของท่านเองที่เป็นบุคคลที่ทําลายทําให้มันโมฆะทําให้มันสิ้นสภาพนะครับการงานที่อลัลลอฮ์จะตอบรับการงานที่อลัลลอฮ์สุฮาห์จะพิจารณนาะบางคนทําให้การงานเขานั้น หมดนะครับสิ้นเนื้อประดาตัวเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองด้วยกับการที่เขาไปทําชีริกด้วยกับการที่เขาไปทํานาวากีดุนอิสลามคําพฤติกรรมที่ทําให้อิสลามมันสูญสิ้นจากตัวของเขาเมื่อเขาไปทําสิ่งเหล่านี้เขาพูดสิ่งเหล่านี้ออกมานะครับมันก็ทําให้การงานของเขานั้นโมฆะทั้งหมดต้องเริ่มทําใหม่นะครับต้องกล่าวคําปฏิญาณตนกันใหม่นะครับหลังจากที่เขาได้ทําลายมันลงไป ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุดาได้เล่าถึงเหตุการณ์มุนเกียมัตเพื่อที่จะให้วันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับวันที่ทุกคนนั้นจะต้องกลับไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺอีกครั้งหนึ่งวันที่ทุกคนจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับการงานทั้งหมดจะถูกนําเสนอการงานของบางคนก็จะถูกตอบแทนด้วยกับความดีงามการงานของบางคนนะเป็นการงานที่ดีก็จริงแต่เขา กับถูกลากลงไปไฝนรกเพราะเขาได้โอ้อวดมนุษย์นะครับเขาได้ทาไปด้วยความโอ้อวดนะครับเหมือนกับชายสามคนที่ทำด้วยกับความโอ้อวดเป็นผู้รู้เป็นคนอ่านนั้นคุรานเป็นคนที่กล้าหาญแต่ทั้งหมดทาไปเพราะว่าอยากจะได้คำชื่นชมคำเชยชมคำคำยินดีปรีดากล่าวคำชื่นชมจากมนุษย์เพื่อที่จะโอ้อวดมนุษย์นะครับ อยากจะได้ทรัพย์สินทางดุลยาไม่ได้หวังจากอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเนะี่ยคนเหล่านี้เขาได้ทํารายการงานของเขาและถูกลากหน้าลงไฟนรกของอัลลอฮ์สุบฮานตะลานั่นนะครับที่เราได้เรียนไปพูดถึงความน่าสะพึงกลัวของวันกิยามัตมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะมาจากดารัตของอัลลอฮ์สุบฮานตะลาและนะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยผู้ศรัทธาจะต้องฉุกคิดแล้วนะครับว่าณปัจจุบันนี้เขากําลังมีชีวิตอยู่บน ฐานของความกิ้วโกริของอัลลอฮ์หรือเขากําลังอยู่ในสภาพที่อัลลอฮ์ประทานผอผาไทยไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวของเราวันนี้เราทําการงานของเราอย่างไรนะครับเราจะต้องสอบสวนตัวของเราเองก่อนที่เราจะถูกสอบสวนในวันกียร์มาถ้าถูกสอบสวนในวันเกียม์มานะครับเราก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่จะกล่าวขึ้นมาว่าถ้าวันนี้ฉันกลับมาทําความดีที่ฉันได้ละเลยเพิกเฉย นะครับในตอนที่ฉันมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยถ้าหากว่าฉันกลับมาได้ฉันจะทำนั่นฉันจะทำนี่เขากลับมาไม่ได้แล้วนะครับอย่าให้ความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในวันนั้นแต่จะต้องทำให้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในวันนี้นั่นหมายถึงว่าเดือนอมรดอนที่ผ่านมาฉันทำอะไรได้ไม่ค่อยดีอาฉันจะเริ่มทำความดีให้มากๆนะครับที่ผ่านมาฉันยังไม่ค่อยอ่านกุรนฉันจะเริ่มทาฉันจะทามัน ที่ผ่านมาการระหมังของฉันไม่ดีเท่าไหร่ฉันจะทําให้มันให้ดีที่ผ่านมาฉันยังไม่ค่อยสดวกฉันจะทําให้ดีตั้งแต่โลกดุนยาใบนี้นะครับตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่อย่าเอาความรู้สึกนี้ให้มันเกิดขึ้นในโลกหน้าในวันที่เราทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราเตือนไว้แล้วว่าทุกทุกการงานจะถูกนํากลับมาสอบสวนอย่างแน่นอนถ้ารู้เช่นนี้แล้วต้องสอบสวนตัวของเราตั้งแต่วันนี้ก่อนที่เราจะถูกนําไปสอบสวนในวันเกียร์มานะครับวันนี้ก็ทำดีแล้วนะครับ คุณลอสสุมหังตะลานะครับที่ให้การไล่สดวันนี้นี่นะครับได้เกิดขึ้นด้วยกับความเมตตาของลอสสุมหังตะลาซึ่งจริงๆแล้วนะครับบทเรียนในวันนี้สอนไปเมื่อวานแล้วแต่ว่าเมื่อวานมันมีเหตุขัดข้องเล็กน้อยก็เลยนํากลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็เป็นประโยชน์กับตัวผมเองนะครับอันดับแรกเลยแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่ได้มาร่วมรับฟังกันในวันนี้นะครับก็หวังว่า การที่เรามานั่งเรียนรู้ศาสนานะครับมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รับความพอพระทัยจากองค์ลัทธิมังตะลาและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะได้รับความพอพระทัยจากองค์ลัทธิก็คือการเอาการความรู้ของเราที่ได้เรียนศาสนาของลัทธิเนี้นํามาไขควนพินิษพิจารณาแล้วก็นําไปบอกต่อและมันปปฏิบัตินะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือปฏิบัติก่อนแล้วก็นําไปบอกต่อเมื่อนําไปบอกต่อแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้รับความเดียนมากมาย ที่อัลลอฮฺสุตลตาราได้ให้ในบีมาประกาศนะครับได้ให้ในบีมาสอนว่าใครก็ตามที่บอกต่อคุณงามความดีเนี่ยเขาแล้วคนคนหนึ่งได้รับความดีงามนั้นด้วยคนที่เขาได้ทําความดีจากการบอกต่อของเราการจากการนะครับเชิญชวนของเราจากการแนะนําของเราเนี่ยกี่คนร้อยคนพันคนเราก็จะรับความดีเหล่านั้น นะครับโดยที่ไม่ขาดตกบกพร่องคนเหล่านั้นก็ได้รับความดีเราก็ได้รับความดีของคนเหล่านั้นด้วยอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยดังนั้นขอให้เราเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่นะครับรักในการที่จะเผยแผ่าศาสนาของอัลลอฮฺซุนฮานอตาลารักที่จะปกป้องาศาสนาของอัลลอฮฺซุนฮานอตาลารักในการที่จะเรียนรู้าศาสนาของอัลลอฮฺซุนฮานอตาลาเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในชีวิตของผู้ศรัทธาเพราะคนคนหนึ่งเนี่ยจะทําความดี ให้เป็นความดีไม่ได้ถ้าหากว่าเขาไม่มีความรู้คนคนหนึ่งจะไม่ออกห่างจากความชั่วและไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความชั่วถ้าหากว่าเขาปราศจากความรู้ดังนั้นนะครับความรู้เป็นสิ่งสําคัญมากในชีวิตของผู้ศรัทธาขอรัสลมตลาตอบแทนคุณงานความดีให้กับพวกเราทุกคนขอรัสลมตลาให้เรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ยืนหยัดหัวใจของเรานั้นยึดมั่นในอันอิสลามจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นะครับส่วนวันนี้นะครับก็ขอจากลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับก็นะครับ อ่ก uh, oh uh, oh ็ขอสลามพี่น้องทุกท ah ่านนะครับอ่ที่ร uh. ่วมรับฟังและก็ขอราทงอัลตานะครับให้พี่น้องนั้นอยู่ในความดีงามตลอดไปนะครับอาเมนอะคลูกลฮวสตักฟุลลอฮะตีมาีวะละกุมวะริซัยิมุสลิมีนมินุลัมบินฟัสตักฟิรอินนฮููวลกฟุรฮมอัสสลามุอะลัยกุมวะรหฺมาตุลลอฮวะบรกตุ